บุ๊ก <Book> 2แปดสิบหกคำถามอดีตการสองคุณผูกนกไทเส้นไหน คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Які ี้อัลทามบิลติคุพิวคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน На Якую Газету т ุ п ิปัด с ิซา я คุณได้เห็นใคร к о г о в ว у б а บ и ชลีคุณได้พบใคร к о г о в วิ у с т р ร л เลี คุณได้เจอใครที่รู้จักคุณตื่นนอนกี่โมงคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ k a l i คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ k a l i v a j ทำไมคุณถึงตื่นนอน ทำไมคุณถึงเป็นครูทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่คุณมาจากที่ไหน ค, คุณไปไหนมา คุณไปอยู่ที่ไหนมา Девы Бели. คุณไปช่วยใครมา Каму ты дамох. คุณเขียนถึงใคร Каму ты написал. คุณตอบใคร Каму ты отказал.